มาค่ะเชิญตัวเองได้เน่ก่งเนาะป้านางนิ่งก็เลยนิ่งอย่าลืมลืมนะค่ะก็สัปดาห์นี้นะก็จะมาแนะนำหนังชนโรงนะชื่อว่า glass คนเหนือมนุษย์คนอะไรจะไปเหนือมนุษย์นะจะไปจะเขาเรียกว่าอะไรจะมีอำนาจความอภินิหารขนาดไหนนะที่จะแบบที่จะเหนือเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนะแต่ดูจบแล้วอะมาย้อนคิดว่าเอ๊หรือเราก็มีอานาจพิเศษ เป็นการแบบตอกย้ำตอกย้ำตัวเองว่าถ้าเราคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้ น, เ, นเป็นอย่างนั้น เ, เป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คิดว่าฉันสวยฉันสวย <laughs> ไม่ใช่ดิเหมยเนื่องจากมันจะมีบางอารมณ์ที่เหมือนกับเวลาป้าไปฟังนักจิตวิทยาหรือนักที่เขาเป็นแบบ motivational speaker ที่พูดให้ให้กําลังใจจูงใจคนใช่เราคิดว่าอย่างงั้นอย่างนี้เราจะทําได้เราต้องทําได้เราต้องอะไรเงี้ยปกอบจิตตัวเใช่มันอารมณ์คือดูหนังจบปุ๊บมันได้อารมณ์ประมาณนั้นเลยว่าว่าถ้าเราบอกตัวเองว่าเราทําได้เราทําได้คือในเรื่องที่ไม่ใช่เพิ่ฝันนะป้านอเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเออ เราบินได้ไม่ใช่ว่าแบบเราบินได้ฉันไม่อยากจะพูดฉันได้เคยจินตนาการอยู่เสมอด้วยนะว่าเหมือนแบบว่าเดินเดินเดินลอยได้อะแบบว่าเออเหมือนตัวลอยได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็อาจจะเป็นได้นะถ้าป้าเดินเร็วๆอ่ะมันก็อาจจะแบบเป็นไดชอะไรอย่างเงี้นะนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากดูหนังจบนะเพ้อเปพ้อหนังก็เป็นหนังของปีสองพัสิบปดปีที่แล้วเนาะนะทีนี้เออเขาก็ S <S เอ๊ะที่หามาเป็นปี2018ก็คงฉายข้ามฉายข้ามปีมาจนถึงกระทั่งปีนี้ก็ใช้ว่าเป็นแอคชั่น h ริลเลอร์หนังสยองขวัญ ส, สตาตายซ u เปอร์ฮีโร่เพราะในหนังก็คือสามทั้งสามคนเนี่ยก็คือเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ในแบบฉบับที่คุณเอ g มในชยามารานเนี่ยเป็นคน <S <S ให้เดฟเ i นิชันนะ ผู้กำกับของเรานะทั้งเขียนบททั้งกำกับแล้วก็ร่วมเขาเรียกอะไรนะร่วมอำนวยการสร้างด้วยนะคะก็คือคุณเอ็มไนทชยามาราเนี่ยเป็นคนอินเดียออืแน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะมาย้ายธรรมโนครัวมาอยู่ฮอลลีวูดแล้วละ่ะนะก็คือมาทํำหนังนะแล้วก็แน่นอนพูดชื่อนี้นะจุดแรกที่ดิฉันจําภาพได้ <Six S 2> ก็คือหนังเรื่องซิกเซนต์นะเรื่อง น, นั้นเรื่องเดียวเรื่องที่แบบดูแล้วแบบ ไอซอเดดผีเพล่เป็นไปยคที่แบบอู้หูเด็กตอนนั้นปีเป็นี่สิบปีที่แล้วดิฉัเป็นเป็นหนังที่แบบว่าเราดูแล้วเรากลัวผีจริงๆอ่ะแล้วพอเราออกมาจากโรงแล้วเรากลัวเรากลัวคนกลัวจะมีมีผีมาอยู่ข้างๆเราเปล่าอะไรอแบบนี้ดูแล้วเราอาปากค้างกันไปเลยทีเดียวนะนั่นแหละค่ะคือผลงานเรียกว่าน่าจะเป็นแบบเปรี้ยงปังจริงๆแล้วพุ่มกับเขาก็ทําหนังมาอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็มีทั้งที่ไม่ได้ทำคือ เขียนบทให้กับกระตูนอีกอยู่เหมือนกันนะใครสนใจก็ลองเสิร์ชหาประวัติของพุ่งกลับได้แต่ทีเนี้ยหนังเรื่องเนี้ยเรื่องกลาสนะเขาบอกว่าเป็นภาคสุดท้ายนะของหนังอ่ะ ที่ต่อมาจากเรื่องอ่า Unbreakable อืมเมื่อปีสี่สามนะแล้วก็หนังเมื่อปีห้าเก้า็คือเรื่อง Split คือดิฉันจําไม่ได้ว่าดิฉัไม่ได้ดูหรือเปล่าท่าเราไม่ได้ดูสองเรื่องเราไปดูเรื่องนี้เราจะรู้เรื่องเราจะรู้เรื่องแต่ว่าไม่อินเหรอเราจะรู้เรื่องแต่ถ้าคนที่ดูทั้งสองเรื่องเนี้ยมามันจะมีสิ่งที่แบบที่ กล่าวถึงไว้เรื่องนั้นแล้วก็เอามาผูกไว้เรื่องนี้ด้วยเอามาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยมันจะทําให้สนุกขึ้นมันจะทําให้แบบเข้าใจไม่เราไม่ได้ดูสองเรื่องนั้นจะทําให้แบบดีดนิ้วเป๊ะปะเป๊ะปะเพวิเรื่องที่แล้วคือเกินไว้แล้วแล้วก็เอามาเอามาผูกไว้กับเรื่องนี้ความดิฉันว่าความเจ๋งนะมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่นักแสดงที่มาจากสองเรื่องนั้นนะก็คือยังกลับมาเล่นในบทในบทเดิม ถูกมาในบทเดิมแล้วก็ก็คือยังยังยังผูกเรื่องกันอยู่เป็นเป็นไรภ า, าคุณบรูซวิลลิอ่ามีคุณอ่าบรูซวิลลสซึ่งในบรูซวิลลิสนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีในเรื่องเนี่ยเป็นเหมือนกับ Security ้กานะเป็นอ่อเซกูริตีนะที่แบบมีอำนาจเหนือมนุษย์น ะ, ะ, ะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นฝ่ายดีอ่ะพูดง่ายๆนะเป็นฮีโร่ฝ่ายดีนะซึ่งก็ สมมติว่าไปสัมผัสคราปุ๊บแตะปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าคนนี้คิดอะไรอยู่นะโดยการวิธีใช้แบบสัมผัสนะทีเนี้ยในเรื่องเนี้ยบูสวินลิสเนี่ยไม่รู้อายุเท่าไหร่แล้วรู้แต่ว่าอุ้ยพี่คะลุงลุงทำไมเทอย่างงี้อ๋อเหรอยังเท่ยังใช่ต้องมีความรู้สึกว่าหูยยังแบบยังแบบเอาก็ได้นะแบบยังพอแบบโอเคเลยอ่ะเล่นแบบบ้านๆหน่อยเพราะว่ามีลูกลูกด้วยในหนังเนี้ยก็ต้องแบบ ก็ยังแบบเออโอเคอะนะแบบใช้ได้เลยทีเดียวนะกับอีกคนนึงนะทีะ่เป็นตัวเด่นเหมือนกันก็นกคือเจมส์แมคอรวอยนะรับบทเป็นเควิ ump, นแวนเดลครัมนะซึ่งเจมส์แมคอรวอยเนี่ยก็รับรับบทเป็นคาแรกเตอร์นะที่มีบุ ค, คลิกลักษณะที่แตกต่างกันถึง23บบุ ค, คลิกซึ่งจริงๆก็มาจากเรื่องสปริตอะไม่รู้ป้าได้ดูป้าไม่ได้ดูสอเร<ด>ื่องนั้นองแบบว่าจะสมมติถ้าถ้าแสงไฟเข้าตัวปึ๊บนะก็จะแบบ คนหนึ่งก็จะโผล่ออกมาเพ<อ>ราะฉะนั้นเนี่ยเจมส์แมคาวอเนี่ยจะต้องเล่นเป็นถึงคนที่แตกต่างกันเนี่ยย3่สสามคนทำไมย3ิบสามไม่รู้เหมือนกันอะหรือซื้อหวยเดียว <laughs> <laughs> อยากรู้ <laughs> นะซึ่ง 3, ใช่ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าก็จะมีมีมีบุคลิกเฉพาะที่พอออกมาปุ๊บจะรู้อย่างเช่นเป็นเด็กเป็นผู้หญิงเป็น transgender เป็นอย่างเงี้ยคือ คือออกมาปุ๊บจะรู้เลยว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นความเก่งแน่นอนต้องยกยกเขาเรียกว่าอะไระยกย่องนักสแสดงอ่ะที่สามารถจะนำเสนอบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันได้ภายในภายในหนึ่งคนนี่เก่งมากจริงๆอ่ะคือแบบท่าทางคำพูดสําเนียงมันไปหมดเลยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะเจมส์ัอรวอยเนี่ยก็ สุดยอดสำหรับเรื่องนี้นอยากจะแบบปรบมือให้นะแล้วก็อีกคนนึงนะที่มาแบบนิ่มๆ น, น, นะนั่งอยู่ในเก้าอีอาว้วิลแชร์อยู่ตลอดเวลานะหน้าตาไม่ไหวติงเนี่ยก็คือซามูแซมูแอลแอลแจ็กสันนะเล่นเป็นอลไลจ์พราย์ก็คือเป็นผู้บงการเรื่องราวทั้งหมดนะแต่เวลานั่งอยู่ในคือในบทนียจะเป็นเหมือนกับ เ, าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็น ผู้ผู้ร้ายที่ถูกจับเพื่อที่จะเอาไปเอาไปรักษาเพราะว่าถูกวินิจฉัยว่าเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าเชื่อถือในเรื่องของการ์ตูนอะว่าคอมิกบุ๊กเนี่ยมันเป็นแบบมีมันมันเป็นเรื่องจริงนั่นนู่นนี่เพราะฉะนั้นก็จะถูกเหมือนกับวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตก็ต้องเอาไปรักษาแล้วเวลานั่งเนี่ยคือลุงแกก็เล่นดีเหมือนกันนะเวลานั่งอยู่ในวิวแชร์เนี่ยแล้วก็ต้องแบบคอต ก, ตก หน้าต้อง<ม>แบบหมดสภาพเหมือนถูกยากดทับไว้แต่หน้ากระตุกตุกตุกตุ ก, ต ก, ตกคือแบบเออคำนั ก, กตุกได้ไงเอออาจจะใช้คำอะไรกกแต<ผ>่ ด, ดูแลแบบคือมีความหลอนนะเรื่องนี้คือไม่รู้ว่าใครจะลุก ขึ้นมาทําอะไรตอนไหนแล้วดารามันระดับนี้ให้เล่นเป็นอะไรเล่นได้หมดนะเนาะเนอะตลกเล่นบ้ากับบ้าได้ใช่เล่นดีก็ดีเล่นบ้าก็บ้านะเล่นเป็นคนบ้าให้รู้สึกน่าสงสารก็ทําได้อแต่ตอนหลังร้ายเลยฮยตอนหลังก็เขาก็เขาไม่สปอยนะเอาเอาเอางั้นไม่สปอยนะแล้วก็ในเรื่องนี้นะก็จะมีอีกคาแรกเตอร์นึงนะที่สําคัญก็คือเป็นอ่าด็อกเตอร์ ทางเขาเรียกอะไรนักจิต ว, วิทยานะไซคลอแทริสนะ่ะก็คือด็เอร์เอลลี่สเตเปิลนะรับบทโดยคุณซาร่าพอลสันกับผมบรอนสวยมาเลยนะก็คือเป็นด็อเตอร์ที่จะมารักษามาเคลมว่าฉันจะมารักษาทั้งสามคนนี้ให้หายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เชิงรักษาให้หายนะคือจะต้องมาบอกว่าเป็นคนปกติเพื่อที่จะได้เอาออกไปจากโรงพยาบาล บ้าแห่งนี้พูดง่ายๆนะเรื่องราวเป็นยังไงไปดูกันก็แล้วกันนะแต่เคยอ่านรีวิวนะก็เขาบอกว่าหนังสไตล์เ9เนี่ยก็คือเป็นแบบตัวละครจะชอบคนหนึ่งจะชอบพูดเยอะๆพูดๆๆๆแล้วขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็แบบฟังอะอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นแบบพูดๆๆๆๆอีกคนก็จะคือนิ่งไปของ m อเนี่ยเราชอบตั้งแต่แบบซเซนใช่ไหมและตอนหลัง พอมาทําก็ไม่ไม่ประทับใจเท่าใเราก็เลยเลิกดูเลยไงเออผิดหวังแล้วก็จะมีความประหลาดในในหนังว่าอืแบบมนุษย์ธรรมดาทําไมถึงแบบมีอํานาจเหนือคนอื่นอะไรเงี้ยแบบเดินไตเหมือนพวกมิวแทนมั้ยมีวกลายพันธุ์เงี้ยมั้ยพวกเอ็อะไรอย่างเงี้ยใช่มเอ็กซ์แคือเขากลายพันธุ์ถูกไหมเขาไปผสมกับคนอื่นแต่อันเนี้ยคือคนแต่ว่ามีเหมือนสัมผัสพิเศษ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็อาจจะมีสัมผัสพิเศษบางอย่างยังไม่เลิกยังไม่เลิกที่เราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นก็ค้นหากันต่อไปก้ามากแล้วก็อยากจะมีสัมผัสพิเศษให้ได้ค้นหากันต่ออยากจะมีสัมผัสพิเศษให้ได้ดูจบแล้วก็อยากจะย้อนกลับไปดูเรื่องอื่นๆเหมือนกันนะว่าว่าที่ผ่านมาอย่างซัปป릿หรือ u n b r e a k กอร์บอเนี่ยนี่อยากดูเลยอ่ะมีมากเน็ตฟลิกมีมากเดี๋ยวนี้เรามีเน็ตฟลิแล้ว ผูฟังคะทำแสดงความดีกับป้าด้วยตอนนี้ป้ามี n น็ f l i x แล้วต่อไปจะเป็นแผงกดทับแล้แต่ไม่รู้ว่าเปิดยังไงดูได้จากแต่จะทางโทรศัพท์เดี๋ <c oughs> ยวต้องไปสอนป้าก่อนนะว่ า, าใช้กับโทรทัพท์ยัยงไง <c oughs> อะฝ้ากูฟังไว้ก็แล้วกันนะ เ, เรื่องกลา s นะคะคนเหนือมนุษย์ลองไปดูซิเผื่อเราจะมาค้นหา อำนาจเหนือมนุษย์ได้กันสำหรับสัปดาห์นี้นะฝากไปก็แล้วอาป้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามีการโชยดูด้วยว่ า, วามีแล<ผ>้วอยู่ในโทราศัพท์อย่ขอเวลาป้าไปกดดูสักครู่นะว่าใช้งานยัางไงาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ